วันนี้ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆยังได้ให้เวลาว่างนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญมามาปฏิบัติธรรม เพราะการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเหมือนได้รับแสงสว่างใจของเรานี้เป็นเหมือนสถานที่มืดเพราะถูกโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ครอบงำจิตใจจึงทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกลงจากเป็นดอกบัว เหมือนกับเวลาอยู่ในที่มืดไม่สามารถมองเห็นอะไรตามความเป็นจริงได้ใจของผู้ที่มีโมหะความหลงมีอวิชชาความไม่รู้ครอบงามจิตใจก็จะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนจะไปหลงกับความสุขที่เป็นความทุกข์ว่าเป็นความสุข ชีวิตของเราจึงวนเวียนอยู่กับการกับการหาความสุขแล้วก็หนีความทุกข์เพราะทุกครั้งที่เราวิ่งเข้าหาความสุขเราก็วิ่งเข้าหาความทุกข์กันพอเจอความทุกข์เราก็วิ่งหนีความทุกข์เพื่อจะไปหาความสุขใหม่ก็วิ่งเข้าไปหาความทุกข์ใหม่อีกเพราะความสุข ที่เราเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นความจริงแล้วเป็นความทุกข์ที่เป็นความทุกข์ก็เพราะว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเวลาเราได้มาเราก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้สิ่งที่เราได้มาความสุขที่เราได้มานั้น อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาเวลาที่เราได้มาเราก็จะดีอกดีใจเวลาที่เราสูญเสียไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจ นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยพบกับความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนั่นเองเราไม่รู้ว่ามีความสุขอย่างนี้อยู่และไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะ ได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นเป็นความทุกข์อย่างที่เราพบกันทุกวันนี้เราพบกับความสุขที่เป็นความทุกข์เพราะเวลาที่ความสุขหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานั้นเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้รับจากสิ่งนั้นก็ กลายเป็นความทุกข์ไปเป็นความสุขที่เราได้จากบุคคลเวลาบุคคลนั้นเขาดีกับเราเราก็มีความสุขพอเวลาที่เขาไม่ดีกับเราเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกับสิ่งของต่างๆเวลาที่สิ่งของที่เราได้มานี้ดี เราก็มีความสุขพอสิ่งที่เราได้มามีการเปลี่ยนไปมีเป็นมีการเสียไปเสียไปเสื่อมคุณภาพไปเวลานั้นเราก็ทุกข์ใจเพราะว่าไม่ได้รับความสุขอย่างที่เคยได้รับเช่นเครื่องบันเทิงต่างๆเวลาที่เราได้มาใหม่ๆ ก็เป็นมีคุณภาพดีมีคุณสมบัติดีสามารถให้ความบันเทิงกับเราได้แต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะเสื่อมได้เสียได้ขึ้นมาทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ว่างขึ้นมาไนดะต่างข้างบนนี้ไม่ทีอะเยอะพอของเก่าไป ของใหม่กลายเป็นของเก่าคุณภาพก็ไม่ดีไม่สามารถให้ความสุขเราได้เหมือนกับของใหม่ๆห่นั่นก็เป็นเพราะว่าขึ้มาข้างบนได้ได้านี่ว่างๆข้างห น, น, น้านี้ข้างห น, น้า คือความทุกข์ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆที่เราเจาะแสวงหากันเพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นดีราบก็มีการเจริญรากแล้วก็มีการเสื่อมราก มียศก็มีการเจริญยศมีการเสริมยศมีสารเสริญก็มีนินตามีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีความทุกข์เวลาที่พระ ล, ลูกเสียงกินภภ่นรถโผธสะที่เราได้เสพนัำปันั้นาหายไปหรือหมดไปเช่นเวลาเราอยู่ใกล้กับคนที่เรารัก เราก็มีความสุขเวลาที่เราอยู่ห่างไกลจากคนที่เรารักเราก็มีความเศร้าส้อยง่อยเหงามีความว้าเวเวลาที่คนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักจากเราไปเราก็มีความเศร้าโศกเสียใจ อ, อาลอยอวลยนี่คือธรรมชาติของความสุขที่พวกเราแสวงหากันเป็นความสุขที่ไม่ แน่นอนสาเหตุที่ทําให้เรามีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพราะเรามีความอยากอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปนาน อยากให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่เขาไม่อยู่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจของเราทั้งหลายเกิดจากตัวเราเองเกิดจากใจเกิดจากความอยากของเรา ี่อยากจะให้สิ่งที่ไม่เที่ยงแทแน่นอนเที่ยงแทแน่นอนอยากให้สิ่งที่ไม่ไม่ได้ให้ความสุขของเราอย่างตลอดเวลาให้ความสุขกับเราตลอดเวลาอยากให้สิ่งที่เราชอบให้เป็นตามตามความอยากของเราพอเขาไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะไม่สบายใจทุกใจ นั่นความทุกข์ใจนั่นเกิดจากความอยากของเราเองเพราะเราไม่ไปหาความสุขจากสิ่งที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาที่เราสามารถสั่งให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาความสุขนั้นก็คือความสุขที่เกิดจากการ ทำใจให้สงบนั่นเองความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่จะไม่มีวันเสื่อมจากใจเราถ้าเรารู้จักวิธีรักษารู้จักวิธีสร้างความสุขนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆรักษา ให้อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆไม่ว่าร่างกายเราจะเสื่อมไปอย่างไรไม่ว่าโลกนี้จะเสื่อมไปอย่างไรแต่ความสุขภายในใจของเรานี้เราสามารถรักษาไม่ให้เสื่อมได้นี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ติดอยู่กับใจของเราไม่ได้ติดอยู่กับร่างกาย ไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราแสวงหากันเช่นความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดปวดทะพะเป็นความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาที่ร่างกายแข็งแรงเราก็พอที่จะหาความสุขต่างๆเหล่านี้ได้แต่เวลาใดที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาใดที่ร่างกายไม่สามารถาหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ความสุขต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาหรือเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้แล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมาก็จะหมดสภาพไปกลายเป็นสมบัติของคนอื่นไป เนเวลาที่เราตายไปรับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราหาได้มานี้ก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปเพราะเราไม่สามารถเอาติดไปกับใจของเราได้ร่างกายตายไปแต่ใจของเรนี้ยังไม่ตายใจของเราไม่มีวันตายใจของเราก็ต้องไปตาม วิบากรรมที่เราทำมาไปตามบุญตามกรรมตามบาปที่เราทำมาถ้าเราทําบุญทําความดีเราก็จะมีบุญไปกับเราเช่เนถ้าเราปฏิบัติทำทาใจให้สงบเราก็เอาความสงบนี้ไปกับเราได้เอาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไปได้ เราจึงไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเพราะเรามีความสุขติดไปกับเราแต่ถ้าเราไม่สามารถสร้างความสงบที่เกิดขึ้นภายในใจได้ไม่สามารถทำบุญให้ใจสงบไม่สามารถรักษาศีลให้ใจสงบเราก็จะไม่มีความสงบติดตัวเราไปจะมีแต่ความ ผิวมีแต่ความอยากติดตัวเราไปใจของเราก็จะไปแบบขอทานที่จะต้องไปคอยขอรับส่วนบุญของผู้อื่นเพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่สนใจกับการสร้างบุญกันไม่สนใจกับการทำทานไม่สนใจกับการรักษาศีล ไม่สนใจกับการนั่งสมาธิทาใจให้สงบและไม่สนใจกับการพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์เพราะเราไปอยากให้เป็นของเราอยากให้เที่ยงนั่นเองถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราก็จะได้ ความสุขที่เกิดจากความสงบตามลำดับของการปฏิบัติการปฏิบัติทานเราก็จะได้ความสุขในระดับหนึ่งการปฏิบัติศีลเราก็จะได้ความสุขอีกระดับหนึ่งการปฏิบัติสมาธิเราก็จะได้ความสุขอีกระดับหนึ่งการเจริญปัญญาเราก็จะได้ความสุขอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่มากขึ้นไปตามลำดับ Ô. จนกลายเป็นปรมังสุขขังขึ้นมาคือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์เราสุขที่ไม่มีความเสือ่อมน่เป็นผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนแสงสว่างนําทางให้เราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริง ให้เราได้บุคพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงก็ขึ้นจากการที่เราได้เข้ามาหาพระพุทธศาสนา้ามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าฟังแล้วเราก็นำออกไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลก็คือความสงบสุขก็จะ เนผลตามมานี่คือการเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาเพื่อศึกษาแนวทางพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนแผนที่ที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในการเดินทางถ้าเราต้องการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระ สาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะหลงทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันนี่คือความสาคัญของการเข้าหาพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นผู้พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสริฐนี้ mm hmm. การเข้าห า, าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. ก็คือการเข้าหาด้วยการศึกษา mm hmm. เช่นการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะหรือการศึกษาจากสื่อต่างๆ เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องนํามาไปปฏิบัติออกพราะการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถทําให้เกิดผลที่เราต้องการได้การศึกษาก็เป็นเพียงการดูแผนที่เดังนั้นเมื่อดูแผนที่แล้วเราก็ต้องออกเดินทางถ้าดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางเราก็ยังจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ในทางตรงกันข้ามถ้าเราออกเดินทางโดยที่ไม่ดูแผนที่ไม่มีแผนที่เราก็จะหลงทางก็ลองจะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้นักจึงต้องศึกษาก่อนการศึกษาก็ต้องศึกษาจากแหล่งคําสอนที่ถูกต้องนั่นเอง เป็นสวากขาโตภักวตาธรรมโมทำที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วเราต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จากพวกเราไปแล้วท่านก็ทรงมีตัวแทนก็คือธรรมวีนัย ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนและได้รับการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถศึกษายึดเป็นแนวทางของการปฏิบัติได้หรือถ้าเรามีโอกาสได้พบกับพระอรหันตศาสาวกเราก็สามารถที่จะศึกษาอยากท่านได้เหมือนกันเพราะ พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกนี้มีความรู้เหมือนกันคือรู้ในอริยสัจสี่รู้ในมรรคแปดทางที่จะนำพาไปสู่การดับทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกนี้ได้ปฏิบัติตนจนได้ดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกนี้ มีจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนกันอ่านกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้มีความสามารถพิเศษที่สามารถปฏิบัติได้โดยที่ไม่มีครูมาสั่งสอนคือมีพระปัญญาที่ฉลาดแหลมคมที่จะสามารถศึกษาดูดูทางได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยแผนที่ เพราะในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงดำนินนั้นไม่มีแผนที่ให้ดูนั่นเองไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาจารย์ตสาวกมาสอนบุคคลต่างๆที่ไปทรงศึกษาก็ออยังเป็นปุถุชนอยู่สอนได้ก็เพียงแต่ขั้นระดับฌานสมาบัติพอได้ทรงบรรลุขั้นฌานสมาบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อไม่มีใครสอนให้ไป จากนั้นได้ไว้ให้ไปอย่างไรเพราะพุทธองค์เลยจะเลยต้องศึกษาทดลองลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็ได้พบทางทางแห่งสรรมทางแห่งสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนาพระองค์ได้ทรงศึกษามาแล้วจากผู้อื่นแต่วิปัสนาภาวนานี้ยังไม่มีใครรู้พระองค์เลยต้อง ศึกษาด้วยพระองค์เองจนนายที่สุดก็ทรงเห็นดัชธรรมความจริงว่าเหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากและวิธีที่จะดับความทุกข์ก็จะต้องดับด้วยปัญญาหรอต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์และสิ่งที่อยากนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ ปะนองความอยากคือให้ความสุขได้อย่างแท้จริงจึงต้องละความอยากเพราะนั้นไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายให้หาความสุขจากการหยุดความอยากเพราะถ้าหยุดความอยากได้เมื่อไรความสงบความสุขก็จะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ความความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปดับไปนี่คือ สามารถของพระพุทธเจ้าส่วนพระอ า, ารันตาสาวกนี้ท่านต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติและบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาประกาศ พ, พระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระอ า, ารันตาสาวกแม้แต่รูปเดียวเพราะ พระอาหารหันตสาวกนั้นท่งไม่มีภูมิปัญญาที่สูงพอที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้ได้ด้วยตนเองคําว่าสาวกนี่ก็แปลว่าผู้ฟังส่วนพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แปลว่าผู้ตัดสารู้ได้ด้วยตนเองพระอาหารหันตสาวกนี้เป็นพระอาหารหันที่บรรลุได้ด้วยการฟังธรรมจากผู้อื่น แต่การบรรลุ ธ, ธรรมนี้มีความเท่าเทียมกันเหมือนกันก็คือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่ปราศจากปัญหาความอยากต่างๆนี้เป็นเหมือนกันหมดจิตใจของพระพุทธเจ้าก็สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของพระอาหารหันตสาวกก็เช่นเดียวกัน สะ อ, อาดน้อยสึดเหมือนกันไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันต่างกันตรงที่ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มีมากกว่าพระสาวกมากหลายน้อยเท่าการใช้ปัญญาของมุตเจ้าในการสั่งสอนจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ปัญญาของพระอาารย์ภาษาวกพระพุทธเจ้าสามารถสั่งสอนตัดโลกให้บรรลุธร ได้มากกว่าพระอ า, ารานตสาวกแต่ละลูกที่จะทำได้เพราะปัญญาบารณีของพระพุทธเจ้านี้มีมากมายก่ายกองมากกว่าของพระอาลามตสาวกพระอาลามตสาวกนี้ก็มีปัญญาในระดับที่สอนให้ตนเองบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่อาจจะไม่มีปัญญาที่จะสอนให้ผู้อื่น บรรุได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถสอนได้พระอาหารหันต์ก็สอนให้ผู้อื่นันรู้ได้แต่อาจจะไม่กว้างขวางเหมือนกับการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นการที่เราได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ก็จะเหมือนกับเราได้พบครูที่เก่งมากอาจารย์ที่เก่งมากถ้าเราได้พบกับพระอาหารหันต นี่ก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ครบา่า์ที่เก่งเงแต่ว่าเก่งซื่อเขาพูดจะแ้าไม่ได้นี่คือความแตกต่างในเรื่องของปัญญาจากในเรื่องของความรู้ที่จะทําให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่จะทําให้บรรลุมรรคผลในภานนี้ทั้งนี้เหมือนกันแต่อุบายวิธีการสั่งสอน ให้ผู้ฟังนี้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเกิดศรัทธานี้อาจจะมีไม่เท่ากันเพราะพระพุทธเจ้าท่งตรัสสอนคนจะฟังแล้วจะเกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าการได้ยินได้ฟังจากพระอาหารหันต์ซึ่งแม้บางรูปนี้ท่านไม่ได้ตัสสอนเลยก็มี <c oughs> บางรูปท่านก็ไม่มีความสามารถ ในการสั่งสอนด้วยอุบายวิธีการต่างๆสั่งสอนก็สั่งสอนแบบรวมรไม่ละไม่แยกและไม่มีรายละเ อ, อยียดให้ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นเช่นในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีผ้ า, าจารย์ของหลวงปู่มันคือผ้ า, อาจารย์เสาท่านก็บรรลุเป็นผ้าระหัง แต่ท่านไม่มีความสามารถในการสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางเหมือนกับพระอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นนี้ที่ท่านมีปัญญาความฉลาดในการสั่งสอนเผยแผ่วิธีการปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นได้มากกว่าพระอาจารย์มั่นจึงมีสาวกมีลูกศิษย์ลูกค้ามากกว่าพระอาจารย์สาวอันนี้มันเป็นเรื่องของ ปัญญาบารมีของแต่ละท่านที่ได้บําเพ็ญมาไม่เท่ากันบางท่านก็บำเพ็ญมามากบางท่านบางท่านก็บําเพ็ญมาน้อยบางท่านก็บําเพ็ญมาพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บางท่านก็บำเพมามา็ญ ม, ม, ม, มาจนมีมากกว่าที่จะามาใช้ในการบรรลุมรรผลนิพพานก็เอามาใช้ในการเผยแผ่สั่งสรนให้แก่ผู้อื่น ให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือความแตกต่างเรื่องของปัญญาบารมีจึงทำให้พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้ามีความแตกต่างกันพระอรหันต์ก็มีความแตกต่างกันเช่นพ ร, พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องพระสาริบุตให้เป็นอักขรสาวกขวาคือเป็นผู้มีปัญญาที่แก่กล้าลองจากพระพุทธเจ้า มีมากกว่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายส่วนพระโมคคัลลานะก็ส่งยกย่องว่าเป็นอัครสาวกท้ายก็คือท่านมีความสามารถในทางอิจฉิต ป, ปาฏิหารมากกว่าพระอาหารหันตสาวกรูปอื่นแต่ระหว่างความสามารถใน เรื่องของอิทธิลิธิปาฏิหารกับความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นด้วยปัญญานี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นธรรมะด้วยธรรมะด้วยปัญญานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าการมีความสามารถในการมีอิทธิฤทธิปาฏิหารต่างๆ ราษาได้บุตจึงเป็นอักขะสาวกกวา่าส่วนพระโลกกาลนะจึงเป็นอักะส า, าวกซ้ายแต่นี่มันเป็นความรู้พิเศษไม่ได้เป็นความรู้ที่จะมาใช้ในการตัดสู้หรือบรรลุมรรคผลนิพพานความรู้ที่เราต้องมีในการบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือการความรู้ในพระอริยสัจสิง ให้เรารู้ว่าทุกนั้นอยู่ในใจของเราสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ก็คือการหาความอยากได้แก่กามะกัรหาความอยากในกลามวิสาะภาวะการหาความอยากมีอยากเป็นวิภาะกัรหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือต้อนเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดต้องการดับความทุกข์ภายในใจก็ต้องละกามตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหาศีนสมาธิปัญญาหรือทานสีนภาวนาถ้าเป็นฆราวาสก็ต้องใช้ทานสีลภาวนาถ้าเป็นนัก บ, บวชก็ใช้ศีนสมาธิปัญญา กาลว่ายัางมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก่อนด้วยการทําทานถ้าไม่สละก็จะออกบวญไม่ได้เพราะยังจะติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่ใช้เงินดับความทุกข์ซึ่งเป็นการดับความทุกข์เพียงชั่วคราวไม่ได้ดับความทุกข์อย่างถาวร ถ้าต้องการดับความทุกข์อย่างตาวรนก็ต้องไม่ใช้เงินทองในการมาดับความทุกข์ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องออกบวชเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนมักให้แก่ผู้ที่ยังไม่บวชก็ทรงสอนทานเพราะทานศีลภาวนาหรือทานศีลสมาธิปัญญาส่วนเวลาทรงสแสดงธรรมให้แก่นักบวชก็ทรงสแสดงศีลสมาธิปัญญา ไม่ได้สบายเรื่องทานเพราะนักบวชนี้ได้ได้ผ่านขั้นทานมาแล้วได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหมดไปแล้วดังนั้นทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญา น, นี้ก็เป็นมรรคอันเดียวกันต่างกันตรงที่ว่าสําหรับคาววะนี้ต้องทําทานต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของให้หมดไปก่อนเท่านั้นเองมีกุฏทานที่จะ นำพาไปสู่การดับทุกยุติการเรียนว่ายายเกิดต้องอยู่ที่มครคนี้เองการปฏิบัติของเราทั้งหมดปัญญาของเราทั้งหมดก็ต้องทุ่มมาตรงที่การทําทานการรักษาศีลการภาวนานี้เท่านั้นถ้าเรามีปัญญารู้ว่าเราต้องทําทานเราต้องรักษาศีลเราต้องทําใจให้สงบ เราต้องสอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรทั้งหลายในสิ่งต่างๆเช่นรากยศสรเสริญในรูปเสียงกยินรสโผสพในบุคคลต่างๆว่าเขาไม่เที่ยงทุกคนมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาร่างกายของทุนทุกคนนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใครทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนในร่างกาย ในร่างกายมีเพียงอาการ32เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดลำไส้ต่างๆอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนี้เป็นอาการ32ไม่มีตัวตนในอาการ32ไม่มีตัวตนในผมในขนในเล็บในฟันมาจากดินน้ำลงไปมาจากอาหาร อาหารก็มาจากดินจากน้ำํำจากนมจากไตเวลาร่างกายนี้แตกสลายไปก็กลับคืนสู่ดินน้ํานมไปไปตัวตนไม่มีในร่างกายนี้ผู้ที่มายึดติด ก, กับร่างกายนี้เป็นใจเวลาร่างกายนี้เกิดการแตกดับไปใจนี้ไม่ได้แตกดับกับร่างกายใจก็ไปสู่ทิศทางของใจต่อไป เหมือนน้ำน้ำกับเหมือนกับน้ำกับในแก้วน้ำที่อยู่ในแก้วเวลาที่แก้วแตกน้ำก็ไปทางไปทางหนึ่งแก้วก็ไปอีกทางไปคอนละทิศย์อนละทางกันฉันใดเวลาร่างกายนี้แตกนับไปใจก็ไปอีกทา ง, งไปตามวาระของบุญของบาปที่ได้ทําไว้ ถ้าได้ทำบุญถึงขั้นสูงสุดก็ไปพระนิพพานเลยถ้ามยังไม่ถึงขั้นนิพพานก็ไปขั้นของพระอนาคามีของพระสรากิทาามีของพระสโสดาบันถ้าต่าลงมาก็ไปขั้นของสมาธิคือไปขั้นสวรรค์ชั้นสูถ้าต่าลงมาก็ไปสวรรค์ชั้นเทพถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพก็มาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ไปทำบาป ท, ทำกรรม ถ้าไปทาบาปทากรรมก็ต้องไปอบายไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปจกนรกบ้างนี่คือที่ไปของใจหลังจากที่ร่างกายนี้ได้แตกดับไปแล้วนั้นการที่เราจะไปไหนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นอยู่ที่กรรมกรรมนี้แปลว่าการกระทาการกระทาทางกายวาจาใจ ที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราคิดทำทุททานรักษาศีลภาวนาเราก็จะคู่เกี่ยวกับเรื่องทำทานรักษาศีลภาวนาเราก็จะทำทานรักษาศีลภาวนาพอตายไปเราก็จะไปตามทางที่เราได้ทำเอาไว้ก็คือไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นครงไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ไปนิพานพราะนี่คือทางไปที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทธรรมของเราทางกายทางวาจาและสังใจดถ้าเราคิดทําบาคิดเสพอบายามุกเป็นการะ น, นันเที่ยวกลางคืนเสพายาเมาพบคนชั่วเป็ น, นมนิตรมีความเกลียดแค้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ พระพิตอเวนีก็หกหลอกลวงนี่ก็จะพาเราไปสู่อาบายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเมื่อทําแล้วก็ไม่มีใครที่จะมายับยั้งได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถยับยั้งกรรมของพระ อ, องค์ได้กรรมนี้เป็นกฎสากลเป็นกฎที่ควบคุมวิถีชีวิตของจิตใจของพวกเราทุกคน เรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่ต้องมีกฎหมายมาคอยตามจับเหมือนกับเวลาที่มีชีวิตอยู่คนบางคนทาผิดกฎหมายเรายัางสามารถหลบหลีกฎหมายได้แต่เวลาทาบาปแล้วเวลาตายไปแล้วนี้หลบหลีกกฎแห่งกรรมไม่ได้กฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีตํารวจมาคอยตามจับกฎแห่งกรรมนี้เป็นไปตามทางธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถที่จะร่วงล้ำไปได้มีผู้เดียวที่จะร่วงล้ำไปไม่ได้ก็คือผู้ไม่ทบาบาปไม่ทำกรรมนั้นอก็ต้องเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าพวกเราอยากจะอยู่เหนือกดแห่งกรรมอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องปฏิบัติม คือศีลสมาธิปัญญาหรือทางศีลภาวนานี้ให้ได้เป็นที่เป็นเหมือนกับการรับประทานยาเราต้องรับประทานยาให้ครบตามที่หมอสัง่งถ้าเราอยากจะให้โครคภัยไข้เจ็บหายไปถ้าเรารับประทานตามที่หมอสั่งแล้วไม่นานโาครคภัยไข้เจ็บก็จะหมดไป ทันใดถ้าเราอยากจะยุติการเรียนว่าตายเกิดเราอยากจะหนีจากกฎแห่งกรรมไปเราก็ต้องทําทานรักษาศีลภาวนาอย่างเต็มที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือต้องทําอย่างมืออาชีพคือเราไม่มีงานอย่างอื่นต้องทําแล้วนอกจากรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้ว ดินจงกลมนั่งสมาธิทำใจให้สงบตลอดเวลาสำหรับ ก, บการเจริญปัญญาพิจารณาอานิจจทุกขังอนาาัตตาจนสามารถละความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็หลุดพ้นจากการเย็ยนว่าตายเกิดเหมือนกับร่างกายเมื่อไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่แล้ว เพรถูกยาทำลายไปหมดแล้วโรคภัยใกล้เจ็บในร่างกายก็จะหมดไปเช่นเดียวกันดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็อยู่ที่การศึกษาให้ถ่องแท้ให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเหมือนกับเวลาหมอให้ยามาเราก็ต้องตั้งใจฟังคำสั่งของหมอว่าหมอให้รับประทานยานี้วันละกี่ครั้งครั้งละกี่เม็ดเราก็ต้องทาตามที่หมอสั่ง พอเราทําตามแล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปตอนนี้เราก็ต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนหมอที่จะให้ธรรมะโอสถแกเราเอามารักษาใจของเราให้หายจากโรคของการเวียนว่ายตายเกิดเราจงจากต้องตั้งใจศึกษาให้รู้อย่างแท้แท้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัติอย่างเป็นที่เป็นกําลัง ไม่ช้าก็เร็วความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลตามมาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อใช้เวลาให้เกิดคุณประโยนด้วยการมาสังเทษสังรร ม, มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาใปเพรทพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความดุดพ้นจากความทุกและการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเป็นขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศรีรัตนใจพระศรีพระ พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แล้วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอไม่ไดด้เินจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้การเดินจงกลมนี้ก็เป็นการเปลี่ยนิระยาบทในกรณีที่เรานั่งมากๆก็จะเกิดอาการมุยม่ยมื่อยเนื้อปวดตามลําตัวต่างๆ ก็ต้องมีการผ่อนคลายก็เปลี่ยนริยะจากนั่งมาเดินแต่การภาวนาเราก็ยังภาวนาต่อเช่นเราจะเดินสวดนมนต์ไปภายในใจก็ได้เดินบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้คือการปฏิบัติเบื้องต้นในสิ่งที่เราต้องการทำก็คือการเจริญสติคือควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปเรื่องราวต่างๆเพื่อจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเพื่อทำใจให้ว่างใจให้สงบนั่นเอง เราก็ต้องใช้การสวดมนต์หรืใช้การบริกรรมพุโทโธซึ่งเราสามารถทําได้ในทุกิริยาบทไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเพียงอย่างเดียวเราสามารถทําได้ทั้งวันเลยไม่ว่าเราทําอะไรถ้าการทํางานของเรานี้ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาล้างถ้วยล้างชามล้างหน้าอาบน้ําแต่งตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไป เพื่อส ก, กัดความคิดต่างๆไม่ให้คิดทุ้งซ่านแต่ในกรณีที่เราทำงานต้องใช้ความคิดที่ต้องบวกเลขหรือต้องใช้การวางแผนคิดวางแผนหรือทาอะไรต่างๆต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็ต้องพับ ก, การบริกรรมพุโทโธไว้ชั่วคราวก่อนไว้รอจนกว่าเราไม่ต้องคิดแล้วเราก็ใช้พุโทโธต่อถ้าเราไม่คิดเราจะหยุดพุโทโธก็ได้ ถ้าใจเรารู้เฉยๆไม่คิดฟุ้งแต่รู้อยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรากาลังทำอะไรอยู่แต่ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้แต่เวลาใดที่ใจเราเริ่มคิดฟุง้งซ่านเริ่มคิดเรื่องไม้สาระต่างๆตอนนั้นเราควรที่จะใช้การสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทธโธสกัดไว พอเราได้ควบคุมความคิดได้แล้วต่อไปเราก็จะสอนให้คิดไปในทางที่เป็นปัญญาได้สอนให้คิดไปในทางความไม่เที่ยงได้เช่นให้คิดว่าร่างกายเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ต้องหมดไปต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วให้คิดถึงความเสื่อมบ่อยๆแล้วเราจะได้ตรงได้วางได้ ถ้าเรายังคิดว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับเราเราก็จะหัวเราก็จะไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหรถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเวลาเกิดการพัผา ก, กันก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาไปจากกันไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน ถอยของก็ก็มาได้นะ ซื้อซีได้นะครับซื้อซีดีของเานะ คืามันเป็นภาษาไทยพระไตรปิฎกความหมายก็คือให้ดูกายดูจิตเท่านันเองไม่มีในในในทางปฏิบัติมันไม่มีมันไม่มีความหมายอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเช็นให้ดูกายก็คือให้เราพิจารณาอาการสาสบสองพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายพิจารณาว่าร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ดูกายในกายดูจิตในจิตก็คือ ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราตอนนี้ตอนนี้จิตของเราเป็นอย่างไรกำลังโลภหรือกำลังโกรธกำลังหลงหรือสงบให้รู้แล้วก็ให้รู้จักวิธีที่จ ะ, ะกำจัดส่วนที่ไม่ดีออกไปเช่นอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็ต้องหาวิธีกำจัดก็ต้องใช้สติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือถึงจะ กำจัดความโลภความโกรธความหลงได้ทาให้ใจมีอารมณ์ที่สงบเย็นสบายได้ดูเวทนาก็ดูว่าเวทนาตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้สุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนานี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เช่นเวลาร่างกายเจ็บเราจะไปสั่งให้เขาหายไปก็ไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องพิจารณาปล่อยวาง อยากไปอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าอยากให้ความเจ็บหายไปก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอีกคั้งนึงทุกในอริยสัจสี่ทุกที่เกิดจากความอยากที่เป็นความทุกข์มากกว่าความเจ็บของร่างกายนี่เกิการการดูเวทนาดูจิตดูกายถ้าดูธรรมก็ให้ดูว่าตอนนี้ในใจเรามีธรรมหรือไม่มีมี มีมีสติหรือเปล่ามีสมาธิหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ให้จเจริญสติให้นั่งสมาธิมากๆให้พิจารณาไตรลักษณ์มากๆต่อไปก็จะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมานี่คือดูดูการปฏิบัติของเราดันั้นอย่าไปติดกับคําว่าดูกายในกายดูจิตในจิต เพราะว่าเวลาปฏิบัติแล้วมันก็มันก็ไม่มีสาระอะไรความหมายอะไรนอกจากให้เราดูกายด้วยว่าถ้าจะดูกายก็ให้ดูทั้งกายนอกและกายในซึ่นกายนอกก็คือกายของผู้อื่นกายในก็คือกายของเราให้ดูว่าร่างกายของเรากับร่างกายของผู้อื่นก็เหมือนกันมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีคําว่าสูงหรือต่ำ ความว่าสูงหรือต่ำรวยหรือจนนี่มันเป็นสมมุติแต่ร่างกายนี้มันไม่มันไม่รวยมันไม่จนมันไม่สูงมันไม่ต่ามันมีเหมือนกันหมดทุกอย่างตั้งแต่ขอทานขึ้นไปจนถึงพระราชามาหาษัิย์ก็มีอาการสาสบสองเหมือนกันเกิดแก่เสียตายเหมือนกันมาจากธาตุสี่ดินน้าลมไฟเหมือนกันให้คิดใจยอย่างนี้เพื่อเราจะได้ปล่อยวางร่างกาย เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายเราจะได้ไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ตายไปนั้นไม่ใช่ไม่มีใครไม่มีบุคคลไม่มีใครอยู่ในร่างกายบุคคลนั้นก็คือดวงจิตดวงใจที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นที่ใจใช้เชิดให้ทําอะไรต่างๆให้แสดงบทบาทต่างๆให้แสดงเป็นหญิงเป็นชาย เป็นผู้สูงผู้ต่ำเป็นผู้ดีผู้ร้ายใจนี้ต่างหากเป็นผู้เชิดร่างกายนี้แต่เวลาร่างกายนี้ตายไปใจผู้เชิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเช่นเวลาร่างกายของพ่อแม่ตายไปเราก็ไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจเพราะเรารู้ว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นร่างกายเป็นใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พ่อแม่ที่มาเชิดร่างกายนี้ก็ต้องไปรับผลบุญผลกรรมของของท่านเองถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีใครตายไม่มีอะไรตายสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีมีความรักรู้อะไรเป็นเหมือนศาลาหลังนี้เวลาศาลาหลังนี้พังไปเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพังไปแต่เจ้าของศ า, าลานี้รู้ก็ ถ้ายังมีความยึดติดก็จะเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้ามีความรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าสักวันหนึ่งสาราหลังนี้จะต้องพังไปก็เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นั้นไปเวลาเกิดเหตุการณ์ก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนการที่เราดูกายดูจิต ด, ดูเวทนาดูธรรมนี้ก็เพื่อสอนใจให้เราปล่อยวางให้เป็นอุเบกขานี้ไม่ให้ทุกข์กับร่างกายไม่ให้ทุกข์กับเวทนาไม่ให้ทุกข์กับจิต ไม่ให้ทุกข์กับทมให้รู้แล้วก็ปล่อยว่ามีใครอยากจะถามเลยไหม ได้ทําบาปมายังไปถึงนิพพานได้เลยอย่างองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนมาต้องเก้าร้เก้าสิบเก้าคนพอมาพบกับพระพุทธเจ้าพรบบารรับตารมีปัญญาบารามีของพระพุทธเจ้าที่มีมากนี้สามารถเปลี่ยนใจขององคุลิมาจากการเป็นมหาโจรมาเป็นนักบวชได้กลับมาบวชมาปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ในชาตินี้เลย เป็นทุกคนมีสิไม่ว่าจะทําบาปทําบุญมามากน้อยเพียงไรต่างกันตรงที่ว่าถ้าทําบุญมามากการปฏิบัตินั้นก็จะง่ายเพราะว่ามันสนับสนุนกันคนดีคนดีคนใจบุญนี้ทําบุญง่ายคนทําบาปยากส่วนคนไม่ดีคนใจบาปนี้ทําบุญยากทำทำบาปง่ายมันเป็นการเปลี่ยนทิศสัยของเรา ถ้าเราเคยทำบุญมาแล้วมันก็ง่ายทำบุญต่อไปได้เลยถ้าเราทำบาปมาแล้วจะมาทำบุญนี่เราจะรู้สึกว่ามันยากเป็นคนที่ชอบเดือนสวราแล้วต้องมาเลิกเดือนวรวอนนี่มันก็ต้องฝืนต้องบังคับใจตัวเองถึงจะหยุดได้แต่ก็ไม่มีอะไรที่สุดวิสัยที่ทาไม่ได้เพียงแต่ว่าจะยากหรือจะง่ายเท่านั้นเองนักปฏิบัติจึงมี มีความแตกต่างกันในการบรรลุนี่ไงบางคนก็บรรลุง่ายบรรลุเร็วบางคนก็บรรลุช้าบรรลุยากก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำมาในอดีต น, นเป็นส่วนที่จะทำให้ยากหรือง่ายเร็วหรือช้าแต่ถ้าพยายามก็ไปถึงที่เดียวกันได้เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นเอง ภาษาวกมังครนี่ฟังทำหนเดียวก็บรรลุได้ภาษาพวกบางคนเช่นพระอนอนท์เกาะติดชายข้าเหลี่ยมอยู่เป็นยี่สิบกว่าปีก็ยังไม่ได้บรรลุต้องรอให้พระพุทธเจ้านิพพานไปก่อนจึงมีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระอนนท์ก็ไม่มีเวลาที่จะไปปริกวิเว้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะมีภารกิจที่จะต้องอุปถมัมภูปทา ดูแลพ่อพุทธเจ้าอยู่แต่พอพ่อพุทธเจ้าทั้งนิพพานไปแล้วเพียงสามเดือนพระอาห น, นุ์ก็สามารถบรรลุได้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรด้วยถ้ามีเวลาปฏิบัติมากมันก็มีโอกาสที่จะบรรลุได้ได้เร็วถ้ามีมีเวลาน้อยมันก็ โอกาสที่จะบรรลุได้เร็วก็มีไม่มากเหมือนกับตักน้ำใส่ตกถ้าเรามีเวลาตักให้วันละสิบขันก็มีเวลาตักทั้งวั น, นเราตักวันเดียวเราก็ตักได้เต็มตกถ้าเราตักวันละสิบขันนี้กอาจจะต้องใช้เวลาสิบวันหรือยี่สิบวันน้าถึงจะเต็มตุกนี่มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติมากปฏิบัติถูกต้องมันก็จะไปได้เร็ว ถ้าปฏิบัติน้อยปฏิบัติไม่ถูกก็อาจจะไปไม่ถึงเลยก็ได้ถ้าหนึ่งสงสารให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือสุปฏิปันโนปูชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามิชิตปปิปันโนนั่นเองปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มที่เป็นเวลาเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ปฏิบัติอย่างเดียวเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตองก็คือปฏิบัติเพิ่ม เพื่อดุพนจากจากความทุกข์ปฏิบัติตองตรงตามคำสอนของรพระพุทธเจ้าทุก ป, ประการไม่เป็นปฏิบัติอย่างอื่นเช่นการปฏิบัตินี้บางครัง้งบางคราวเราก็อาจจะหลงทางได้ออกนอกลูก่นอกทางได้เช่นพวกที่นั่งสมาธิเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหารหรือมีมีตาในสามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกแทนที่จะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้ว่างให้เป็นการ ก็ไปมวัวไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ไปเล่นกับเรื่องอิทธิฤทธิ ป, ปฏิหารอันนี้ก็แสดงว่าไม่ปฏิบัติตรงถ้าปฏิบัติตรงนี้ต้องปฏิบัติเพื่อความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติยายะปฏิปโนก็คือปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อย่างเดียวละกิเลสอย่างเดียวละตัณหาอย่างเดียวละการละตัณหาภาะวะตัณหาวิภาะวะตัณหาต่อปฏิบัติชอบก็คือ ปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ผิดจากคำสอนทุกประการนี่คือการปฏิบัติ4ลักษณะด้วยกันที่ทำให้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกตั้งสี่ขั้นคือขั้นตัศน์ดาวันสกิาคามีอนาคามีพระอาหารหันต์ขั้นเหล่านี้เราจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือ ปัจจัยที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติบรรลุกันไม่สําคัญกับเรื่องบุญเก่าวบาปเก่าวในอดีตถ้าเรามีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราบรรลุกันได้ทุกคนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองยากหรือง่ายเท่านั้นเองงั้นถ้ายากก็พยายามทําให้มากถ้าาก็พยายามทําให้มากถ้าง่ายก็รีบทำเสียเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะมีมากหรือมีน้อย อย่าประมาณอย่าเป็นเหมือนกระต่ายิที่ว่าเราวิ่งเร็วป่าเต่าแล้วเราแทนที่จะมาปฏิบัติเรากลับไปทาภารกิจอย่างอื่นแทนพอถึงเวลาใกล้เวลาตายขึ้นมาก็อาจจะไม่มีเวลาปฏิบัติได้เฉั้นตอนนี้เรามีชีวิตมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถทำบุญให้ทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิเดินจงกรมได้ก็รีบรี บ, รบ ท, ทําเสีย อย่าไปประมาทนอนใจคิดว่าโอ๊ยเรายังมีเวลามากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายกันเมื่อไหร่นั่นเองการตายนี้ไม่มีใครรับประกันได้แม้แต่บริษัทประกันชีวิตเของก็ไม่รับประกันเขารัประกันว่าถ้าเราตายแล้วเขาจะชดเชยเงินให้กับคนที่ยังอยู่เท่แต่เขาไม่รับประกันชีวิตของเราเราไม่บอกว่าคุณจะอยู่ได้ถึงแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือร้อยปี เานั้นพระพเจ้าจึงสอนให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเตือนใจเราไม่ให้ประมาทไม่ให้นิ่งนอนใจให้ไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งถ้ารีบทำเสียแต่แบบนี้น้ําขึ้นให้รีบตักเพราเวลาน้ําลดหรือน้ําหมดแล้วจะไม่มีน้ําให้ตักเวลาไม่มีชีวิตแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วทําได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ยิ่งตอนที่เรามีกําลังวังชาสมบูรณ์แั้งแรงยิ่งดีใหญ่ เพราะถ้ า, าร่างกายสจลาภาพลงตัวก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้คได้สมาธิะสมาธิง้หนูไปไหนต่อได้เลยก็ไม่ต้องการให้ไปไหนไงการนั่งสมาธินี้ต้องการให้เข้าสู่ความสงบให้นิ่งให้ใจเป็นอุเบกขาสัตว์แต่ว่ารู้อย่างเดียวไม่ต้องการให้ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ หรือเห็นอะไรทั้งหลายต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาทั้นต่อไปซึ่งเราต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนขณะที่อยู่ในสมาธินี้เราต้องการให้นิ่งนานๆเพราะเป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ใจของเราจะมีพลังมีกำลังต่อสู้กับกิเลสปัญหาถ้าใจได้พักนานๆได้ชาร์จแบตเตอรี่นาน ต้องปล่อยให้นิ่งนานๆนั่งไปแล้วนิ่งเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีแต่ไม่ใค่นิ่งหลับนะนิ่งรู้รู้สัตแต่ว่ารู้รู้ตลอดเวลาไม่ใช่นั่งรับนั่งไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอลืมตาขึ้นมาบอกเอ๊ะอะไรไปเนี้อันนี้ไม่แสดงว่านั่งหลับนะแต่ถ้านั่งนั่งเข้สมาธินี้จะรู้ตลอดเวลาเหมือนกับที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้เึีงแต่รู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้คุยกันตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไร ใจเราเย็นใจเรามีความสงบมีความสุขไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรนั่นแหละคือสมาธิที่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้นิ่งไปนานๆจนกว่าจะถอนออกมาการถอนก็คือเริ่มมารับรูปรูปเสียงกลิ่นรสเริมมารับรู้เรื่องของร่างกายเริ่มมาคิดปรุงแต่งคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ตอนนี้แหละเป็นตอนที่เราต้องใช้ความคิดนี้มาคิดในทางปัญญาเป่น ให้คิดทั้งให้ดูกาก็ให้พิจารณาร่างกายว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างเรารู้จักร่างกายของเราหรือเปล่ามีอาการ3 2มเราเคยเห็นอาการ32ของร่างกายเราบ้างไหมเคยเห็นผมขนเลือดปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมากหัวใจตับถังขืออใจปอดหรือเปล่ามาพิจารณาดูให้เห็นดูร่างกายของเราแล้วก็ดูร่างกายของคนอื่นด้วย mm. เพื่อจะได้ไม่หลงรักร่างกายของคนอื่น เราจะหลงล้าร่างกายของคนอื่นก็เพราะเราเห็นเพียงบางสว่วนเช่นเห็นแต่ผิวหนังเท่านั้นเองเห็นแต่หน้าตาเราไม่เห็นโครงกระดูกของเขาเราไม่เห็นปอดใจตับไตไส้กรุ๊มของเขาไม่เห็นอุจจาระปัสสาวะของเขาถ้าเราเห็นอาการ32เราก็จะไม่หลงไปรักใครเราก็จะสามารถตัดการอารมณ์ได้ แล้วเราก็จะไม่ลงยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราหรือร่างกายของคนอื่นก็ไม่ได้เป็นตัวของพ่อของแม่ของพี่ข อ, พของน้องของลูกเป็นเพียงอาการสาสิบสองเท่านั้นเองนี่คือการดูร่างกายดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเป็นเพียงดินน้ำลงไฟเกิดแก่เจ็บตายไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในร่างกายคาว่าสัตว์คาว่าบุคคลหญิงชายนี่เป็นสมมติ เป็นป้ายที่เราติดไว้กับร่างกายพอร่างกายนี้ออกมาก็ติดไว้ว่าชื่อนากรนายขอเป็นลูกของนางนางกรนายขอไปเท่านั้นเองเป็นป้ายแต่ความจริงแล้วก็เป็นเพียงอาการ32เป็นดินน้ำลมไฟที่จะต้องแก่เจ็บตายไปนี่คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้ปฏิบัติกับร่างกายได้อย่างถูกต้อง ก็คือปล่อยวางไม่ไปหลงคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพียงอาการสามกิจสองเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่ที่ต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายไปเท่านั้นเองให้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญาอันนี้ต้องทําตอนที่ออกจากสมาธิแล้วต้องมาคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆซ้ําแล้วซ้ำอีกเหมือนกับการ สับหมูสับเนื้อนี่ต้องสับให้มันเล็ไปเลยเราต้องคิดจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจของเราเลยจาได้เลยไม่ลืมเลยเวลาเห็นร่างกายใครก็จะไม่เห็นว่าเป็นนายจอนายขอเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเพียงอย่างเดียวจะเห็นว่าเป็นอาการ32เป็นดินน้ําลมไฟเป็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความหลงไปยึดติดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง จะไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ความอยากนี้กลับเป็นโทษกับเราเพราะทำให้ใจเราไม่สบายใจเราทุกข์เพราะความอยากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่อยากทารที่เราจะไม่อยากได้เราก็ต้องรู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงนั้นพอเรารับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไป นี่คือการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาต้องออกมาจากสมาธิก่อนแล้วพอพิจารณาไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มพิจารณาไม่ได้เคยอจ็บเริ่มไปคิดเรื่องอื่นเ ร, เรื่องื่างฟุงงร่างก็ให้หยุดการพิจารณาแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใหม่แสดงว่ากำลังของสมาธินั้นหมดไปแล้วอุเบกขาหมดไปแล้วกิเลสตันหาความโลภความอยากริ่โผลขึ้นมาเริ่มอยากจะไป ดูไปฟังอยากจะไปดืม่มอยากจะไปรับประทานอันนั้นเราก็ต้องกลับเข้าไปนั่งในสมาธิใหม่ทำใจให้สงบใหม่นี่คือการปฏิบัตริระหว่างสมาธิและปัญญาต้องสนรับกันทำงานเวลาเวลาไม่มีกำลังใจไม่สงบไม่เป็นอุเบกขาก็นั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาพอใจมีอุเบกขาแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายเวทนาจิตต่อไป ต น, นป่าจะเข้าใจไม่ถงไม่ลืมไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะดุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดติดร่างกายยึดติดเวทนายึดจิตยึดติดกับจิตนีคือเรื่องของการปฏิบัติทางปัญญาต้องทําหลังจากที่ได้สมาธิแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว แล้วก็ทำได้จนถึงขีดที่หมดกำลังของสมาธิก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิไปเหมือนกับเราใช้โทรสั์มือถือเวลาเราชาร์จแบตเราก็ไม่ใช้แล้วก็ปล่อยให้ชาร์จเต็มที่พอแบตเต็มแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้พอแบตหมดเราก็ต้องเอากลับไปชาร์จใหม่สมาธิก็เป็นเหมือนที่ชาร์จแบตของจิตใจใจจะมีกำลังมีความสงบต่อสู้กับปัญหาได้ ก็ต้องมีความสงบมีอุเบกขาพออุเบกขาความสงบหมดไปกิเลสก็จะออกมาเพ่นพานได้ความโลภความอยากต่างๆก็จะออกมาเพ่นพานได้แทนที่อยากจะพิจารณาอนิจจทุกข์ขันธ์ตาก็อยากจะไปหาสิ่งนั้นมาดูหาสิ่งนั้นมาทําหาสิ่งนั้นมาดื่มมารับประทานมีแสดงว่าใจเริ่มหมดกําลังของอุเบกขานะแล้วเราก็ต้องหยุดการพิจารณา แล้วก็กลับเข้าไปนั่งในสมาธิันสลับกันไปจนกว่าปัญญาจะสามารถดับความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้เมื่อหมดไปแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องพิจารณาต่อไปไม่จำเป็นจะต้องกลับเข้าไปนั่งในสมาธิต่อไปเพราะว่าสมาธิและปัญญานี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคนี้เอง ยารักษาโรคนี้เราก็กินเวลาที่เราไม่สบายพอเราหาจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็หยุดกินยายาก็ไม่จําเป็นจะต้องกินอีกต่อไปถ้าใจเราหูุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเราก็ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาอีต่อไปการ น, นั่งสมาธิก็เป็นการนั่งแบบพักผ่อนอุปยาบทไปเท่านั้นเองไม่ได้พักไม่ได้นั่งเพื่อที่จะเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสมารักษาโรคใจ เพราะว่าไม่มีโรคภัยไข้เจบหลงเหลือ mm hmm. อยู่ในใจแล้วการนั่งสมาธิการเดินจงกรมของพระอราหันต์ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อการดับจิตเลยเป็นการพักผ่อนจิตใจทท้งนั้นเองก็ mm hmm. ไม่มีเดี๋ยวจะให้อ่อนนะแต่ใคอยากจะกลับจไ ด, ได้กลับได้ใครอยากจะนั่งฟังต่อก็ก็นั่งได้ ยถาวาติวาหาปุราตาริปสเรนิตาบาลเอวเมวาอิโตตินังเตตานัง e อุปการปฏิอิจิต e ังปฏิตังสุมหังท um ิปเมวาสัมมิจัตุสาเหปุเรหิตุสังกปายันโทปนาราสุยะถามานิโชติ พระโสยะถา ส, าสกีติโยวิวัจจันตุจัพระโรควินสศตุมาเตผวตะวันตาายูุ่ขีทีคายุโกภะอาคิวาธนสีลิะลิจังวุฒาปจายนโนยตาโรธ ม, มาวทานติอายุวันโอสขุขังภาลง ไปอยู่ใชไหมหงุด ใ, ใจิดไหมนึกเข็ดงาก่อนนะมาไปพักก่อนเลยไหวบอบช้ำ ม, มากนะสู้กับี่เล่จงบอบช้ำเลย